เอาในทีนี้ฟังใ น, ใ น, ใ น, ใ น, นะทนี้นะสรุปอาการอาพาธองคหลวงตามหาบยญญาสัมปันโนประจำวันที่22มกราคมพุทธศักราช2554คณะแพทย์ได้กาเรียนรายงานต่อคณะสงฆ์ว่าเมื่อวานนี้21มกราคมหลวงตามีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียหายใจหอบเป็นบางครั้งไอบ่อยมีเสมหะเหนียวไม่มีแรง ขับเสมหะแผลที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายดีขึ้นไม่มีปัญหาหนึ่งหัวแม่เท้านะอืดแน่นท้องฟังเสียงหายใจดังผิดปกติที่ปอดด้านขวาและเสียงหายใจลดลงที่ปอดด้านซ้ายแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยการพ่นยาขยายหลอดลมและดูดเสมหะเป็นระยะให้สารอาหารและสารเกลือแร่ ทางหลอดเลือดอาการเหนื่อยลดลงพักผ่อนได้จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันคณะสงฆ์สิทธิานุสิ์22มกราคมพุทธศักราช2554เมื่อวานตอนเย็นหลวงพ่อได้เข้าไปกราบองค์หลวงตารู้สึกท่านมองจับใกล้ทุกคนนะมองดูแววตาขององค์ตาสดใสหลวงพ่อโอ้หลวงตา ดีขึ้นมากๆเมื่อวานในตอนเย็นนะแต่เมื่อคืนนี่ทราบว่าท่านอยากจะออกมาทางนอกห้องห้องปลอดเชื้อแล้วกับพระก็ได้ใส่รถเข็นอันเล็กๆเดินจงกรมเดินโยกรมในกุฏิของท่านนะกลับไปกลับมาได้สามสีเที่ยวจากนั้นท่านก็เข้ากุฏิเมื่อคืนนี่แต่เมื่อเช้านี่ไปถามเมื่อคนรู้สึกว่าท่านเหนื่อยเพราะมีเสศษอยู่ในคอพยาบาลและหมอก็ได้ดูดเสศษออกเมื่อเช้านี้ รู้สึกว่าท่านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตอนเช้านิดหน่อยจากนั้นก็ท่านก็พักผ่อนนะตอนที่พวกพร ะ, ะกําลังจะปิดเทป่าเนะี่ลุงตาพักผ่อนในช่วงนั้นมื้อเช้านี้นี่แหละคืออาการขององค์หลวงตานะแล้วก็พวกคณะสัตยาญาติโงคงอยากจะฟังชาดกอีกนะจะเอาชาดกเรื่องอะไรน้อมาเปรียบเทียบให้ฟังถึงยังไงคณะสัาาตยาจ้าโจมสิทธิ์ขององค์หลวงตาหลวงตามีคณะสิทธิ์มากมาย ทั่วประเทศและต่างประเทศไม่รู้ว่ากี่ประเทศที่เป็นขยายไปอยู่แล้วก็าออกทางอินเทอร์เนต็ตทั้งภาพาไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่สนใจอยากจะทราบข่าวองค์หลวงตาแต่นี่องค์หลวงตาท่านก็มีเมตตากับทุกคนเนอะูดถึงจะอยู่ต่างแดนต่างประเทศหลวงตามีเมตตาส่งถึงทั่วทุกๆคนนั่นแหละ เ, เพราะว่าผู้ใดก็ตาม ถ้าได้นํำทำคําสอนขององค์หลวงตาไปประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละแปลว่าพวกเราได้รับเมตตาจากองค์หลวงตาในนั้นแหละเพราะเรานำทำคําสอนขององค์หลวงตาไปประพฤติปฏิบัติพวกเราเมื่อนํำทำคําสอนขององค์หลวงตาไปประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อเองในฐานะสิทธิ์ขององค์หลวงตาท่านหนึ่งหลวงพ่อว่าพวกทุกท่านจะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใน คำคำสอนขององค์ลุงตาที่พวกเราในใ น, นาไปประพฤติปฏิบัติถึงจะเป็นเรื่องกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันเรื่องความพร้อมเพียงสมัคคีเรื่องครอบครัวเรื่องการสงเคราะห์อนุเคราะห์เรื่องศีลธรรม เ, เรื่องศีลห้าเรื่อ ง, น, องนั่งสมาธิเรื่องเดินวิปัสสนาอย่างไงพวกเราถ้านําทําคําสอนขององค์ลุงตาไปพุทธปฏิบัติแล้ว หลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจลึกๆแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องอยากจะให้ถูกใจกับทุกคนนั้นอันนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ขนาดพระพุทธทเจ้านะท่านเป็นบรมครูของเราสยามภูรู้แจงโลกแต่พระ อ, องค์ก็ยังไม่ถูกใจกับทุกคนบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็ดูถูกอีกต่างหาก ต่อทำคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่ถึงอย่างไรทุกคนทุกหมู่ทุกกล่าวท่านจะว่าไปแล้วก็น า, นานาจิตตังนานาทัศนะนานาความเห็นจะให้เป็นแนวแถวเดียวกันเป็นไปไม่ได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไว้ในใจอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติของคนธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าาว่าพวกเรานะนาณาจิตตังนาณาทัศนะก็จริงอยู่เหมือนกับดอกไม้นานาพันธุนะดอกไม้นาณาพันธุ์คือความคิดเห็นเนี่ยคือความคิดเห็นเนี่ยทิฏฐิคือความคิดเห็นอ่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมันจะต้องแตกแตกต่างกันเป็นธรรมดาบางเทีงก็เห็นอย่างนึ่งคนนึงก็เห็นอย่างหนึ่งแต่ว่าความเห็นนั้นอะเอามารวมกันทีนี้ เหมือนกับดอกไม้นานาพันธุ์สีเหลืองสีแดงสีแดงนายช่างมาลาการผู้ฉลาดนะและนำดอกไม้เหล่านั้นมาร้อยให้เป็นพวงมาลายัยพวงมาลัยนั้นจะสวยกว่าดอกไม้ที่สีเดียวนะอดอกไม้สีแดงสีเดียวมาร้อยกับดอกไม้ลากสีเอามาร้อยรวมกันนะดอกไม้ลากสีนั้นจะสีสวยสีสวยกว่าเพราะเหตุใดเพราะว่ามันลากสีอันนี้ก็เหมือนกันนะ คนเรานานาจิตตังนานาทัศนะเนี่ยต่างคนต่างคิดเห็นนะแต่หลายหัวเนี่ยดีกว่าหัวเดียวเห็นพอมนรวมกันเข้านี่พราะหลายแนวความคิดในกลุ่มนั้นอ่ะจะต้องมีมีแนวความคิดหนึ่งที่ว่าที่ถูกต้องอันนี้ความคิดที่ถูกต้อง น, นั่นแหละคือความสวยงามแต่ข้อสําคัญจะให้มีทิฐิและมานะอะมานะคือความแข็งกระด้างเอาหัวชนฝาไม่ยอมฟังใครเลยอันนั้นไม่ดีนะอันนั้นไม่ดี แมานะคือความแข็งกระด้างไม่ดีทิฏฐินี่คือความเห็นนะั้นทุกคนก็ต้องมีความเห็นเป็นเอกลักษณ์ื่อเป็นส่วนตัวของใครของเราแต่ว่ามานะคือความแข็งกระด้างนะถ้าใครไม่ฟังก้าวล้าวด่าเขาทุบตีเขาลงโทษเขาอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกเพราะว่าคนเราเราก็ต้องมีมีแนวความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่ามานะคือความแข็งกระด้างนะเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสเพราะนั้นทิฏฐิ คือความเหตุนี้แต่ถึงยังไงให้พวกเราอย่าไปเอาแต่ทิฐิัวเห็นความเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตัวเองอาจจะเป็นมิจฉาทิฐิก็ได้หรืออาจจะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้เพราะนั้นเราต้องฟังฟังทุกหมู่ทุกเหล่าฟังทุกเหตุทุกผลถึงจะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ใครก็ตามต้องฟังเป็นผู้ฟังถ้ามีผู้ฟังฟังเป็นส่วนมากฟังแล้วก็นามาคิดนามา พิจารณาไตรตรองเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นแหละถ้าว่าพวกเราดันทุลังไม่ยอมฟังใครไปอยู่กับใครก็ลําบากเหมือนกันนะอยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่ก็อึดอัดอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อึดอัดอยู่กับหมู่กับเพื่อนหมู่เพื่อนก็อึดอัดเพราะเหตุไหลเพราะไม่ยอมฟังใครเพราะนั้นพวกเราจะเป็นคนหัวดือ้อหัวรั้นนะให้ยอมฟังแต่จะเป็นคนหัวอ่อน เขาสักจงไปทางไหนก็อ่อนไปตามอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราให้ให้เป็นผู้มีเหตุผลฟังแล้วก็นํามากันกรองไตรตองเหตุและผลมาเปรียบเทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเปรียบเทียบกับปรัชญาคนโบราณเขาสอนว่ายอย่างไรพวกเราก็นํามากันกรองไตรตองเปรียบเทียบแล้วก็นั่นแหะมันจะมีเหตุมีผลในนั้นนะ แล้วก็ขอให้พวกเราให้เป็นผู้หนักแน่นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะหลวงพ่อลวงตาของเราเนี่ยเป็นนักเหตุผลนะพวกเราเข้ามาอยู่ใกล้พวกเราจะรู้วัดหลวงตาเนี่ยเป็นนักเหตุผลหนักแน่นในหลักเหตุผลท่านพูดอะไรเนะี่ยมีเหตุมีผลของท่านท่านไม่กลัวท่านก็ไม่ให้กลัวถ้าไม่มีเหตุมีผลแต่ถ้ามีเหตุมีผลแล้วยอมรับแล้วไม่กลัวไม่ได้ เพรท่านพูดตามหลักเหตุผลมันไม่ยอมไม่ได้ต้องยอมท่านก็จะต้องใช้ไม้เรียวเลยว่างั้นเถอะใช้ตะพดเลยว่างั้นตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเพราะนั้นขอให้พวกเราสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงตาเนอรให้มีความพร้อมเพียงรักสมัคคีกันเอาไว้พี่ได้สองน้องได้หนึ่งไม่ถึงร้อยปีแล้วต่างคนก็ต่างไปพวกเรามาสั่งสมบุญกุศลไม่ได้มาสั่งสมเพื่ออย่างอื่นนสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันถูกต้องสิ่งไหนที่มันเป็นธรรม สิ่งไหนที่มีเหตุมีผลพวกเราก็ยึดแนวแถวนั้นแหละนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อจะนำชาดกเรื่องพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาติเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินในกรุงพาราณสีสมัยหนึ่งว่านะอันนี้เป็นนิทานเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิด ไม่ใช่แต่ในชาตินี้ชาติเดียวนะพระ อ, องค์เสด็จหนีออกไปบวชอยู่ในป่าชาตินั้นก็พระบิดาของพระ อ, องค์อยู่กรุงพระรนสีพระบิดาสวรรคตแล้วก็ได้มอบราชสมบัติให้แก่นารทะลูกชายจากนั้นนารทะเมื่อรับมรดกเราเห็นว่าผู้ที่จะเป็นทายาทของพระ อ, องค์มีอยู่ไม่แต่อยากจะไปบวชอยู่ในป่าเหมอนนเะอยากจะเป็นฤาษีอยากจะบําเพ็ญเพราะฉะนั้นคือเนี่ยพระโพธิสัตว์โดยมากจะเป็นลักษณะนั้น พออยู่ขึ้นมาแล้วก็อยากจะไปบําเพ็ญอยากจะไปรักษาศีลไปบําเพ็ญตระปาเพื่อเสริมบารมีของท่านให้แก่กล้าขึ้นเพราะงั้นเดะท่านไม่ได้เห็นว่าโลกโลกว่าตาสงสารเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องสบาย เ, เห็นว่าโลกว่าตาสงสารยากลําบากสําหรับพระองค์ถ้าคําว่าพระองค์ไปอยู่ในปา่ปารงพงไผ่บาเพ็ญ เ, เรื่องภาวนาอยู่ในปา่ารงอันนั้นเป็นเป็นที่สบายของของ ข, ของท่านจากนั้นท่านก็เลย สละราชสมบัติให้แก่ทายาทของท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนแต่พระมารดาเขาเออทาลูกไปแม่ก็ขอไปด้วยพอต่อมาน้องสาวเออถ้าพี่ไปหนูก็จะไปด้วยนะพี่นะจากนั้นก็มีคนใช้ไปอีกคนใช้ชายหญิงไปอีกมีน้องชายของท่านไปอีกรวมแล้วทั้งหมดเป็นหนะหชีวิตว่า ง, งั้นแต่ที่ออกไปอยู่ในป่าหิมะพานนะ ตอนี้เวลาการอยู่ของท่านน่ะท่านจะอยู่เป็นกุฏิเป็นหลังเป็นหลังฮะเป็นเล็กๆหลังเล็กๆแม่ของท่านจะอยู่ในวงกลางเนี่ยเป็นผู้ดูแลแต่พระฤาษีท่านจะอยู่ในอีกหลังหนึ่งห่างๆโม่ฮะจากนั้นท่านก็ต่างคนก็ต่างเวลาไปสแสวงหาอาหารฮะผู้ที่อยู่ในอาสมก็มีแล้วก็ผู้ไปออกไปทางนอกก็มีไปหาอาหารประจำวันเหมือนกันท่านก็ไปหาอาหาร ถ้าใครได้มาอาหารเง่าบัวก็ดีผลละมากรากไม้ก็ดีท่านจะแบ่งเป็นส่วนๆคือทําเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกพวกเราหชีวิตน่งครับเปรียวว่ามี6ส่วนคนที่มากับแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งคนที่สองมากับแบ่งแบ่งบ่งเพรได้เวลาท่านนี้ก็ประมาณ8ปดเก้าโมงเนี่ยแปดเก้าโมงสิโมงเนี่ยต่างคนก็ไปเอาอาหารในล็อกของตอนนั่นแหละนาฬ tha เนี่ยก็เป็นล็อกแรกท่านไปเอาต่อมากับแม่ของท่านน้องของท่านเป็นล็อกของใครของเราอยู่แล้ว แล้นี่ก็เอามาก็ต่างคนก็ต่างๆมาทานอาหารทานอาหารมือมม้อเดียวทานผลไม้มื้อเดียวท่านเป็นลือสีในคราวนั้นะท่านก็อยู่ด้วยความผาสุกแท้เนี่มีลิงอยู่ตัวหนึ่งกับมีช้างอยู่ตัวหนึ่งช้างที่เขาเอาไปปล่อยในป่าช้างตอนนั้นคือเขาใช้งานมานานแล้วเห็นว่าช้างแก่แล้วก็เลยปล่อยปล่อยเข้าไปในป่าช้างตอนนั้นก็มันอยู่ในป่ากับง่อมเหงาแท้พอมันเห็นลือสีเห็นคน มันก็เลยเข้าไปพึ่งพาอาศัยด้วยแต่กับมีลิงอีกตัวหนึ่งลิงตัวนั้นเห็นว่ามันอายุมากแล้วก็เลยไปปล่อยในป่าลิงตัวนั้นก็เข้าไปอยู่กับพวกดุสีนี่ด้วยและกับหกเจ็ดแปดชีวิตอยู่ด้วยกันทีนี้นต่อมาที่ดุสีนี่ก็บําเพ็ญตปะปาอย่างอุกฤษเพรา ง, งั้นเอะแต่ละวี่แต่ละวันท่านเพ่งเตโช ว, วาโยเตโชคือเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งน้ําเพ่งดินอยู่ตลอดเพราะ ง, งั้นะใจของท่านน่ยมีแต่ มุ่งมั่นนีเพราะท่านเสียสารราชสมบัติออกไปแล้วเนี่ยท่านจะไม่มุ่งหวังอะไรไมิจตภาวนาอย่างเดียวยทําจิตใจของท่านเป็นให้แน่นหนามั่นคงมากจิตใจของท่านสงบพอแล้วเพืท่านบําเพ็ญบำเพ็ญเข้าบำเพ็ญเข้าถึงพระ อ, อินทร์อยู่บนสวรรค์อพระอินทร์อยู่สันดาวดึงเอคล้ายๆว่าฉันจะเทือนว่าไงเถอะอสันจะเทือนพระ อ, อินทร์เอทํำไม่บรรลังพวงเราเนี่ย ที่เรานั่งศีลอาจของเราเนี่ยทําไมสถานวันไหวอย่างนี้ใครจะขึ้นมาแย่งชิงบัลลังก์เรานเะนี่พระอินทก็เลยเพ่งลงมองดูโอ้ณาลธาดาบทเนี่ยเขาบำเพ็ญตปาคราวนี่เขาบําเพ็ญ เ, เพื่ออะไรเขาจะมาแย่งบัลลังก์เราหรือเปล่าเขาจะมาแย่งอาชนะที่ที่บัลลังก์ของเราหรือเปล่าเพราะนะั้ศีลอาจของเราเนี่ยสถานวันไหวนเนี่ยไผอินก็เลยลงมา ลงมากับเอเราจะทดลองเราจะเอาอยัางไงจึงจะรู้ว่าฤาษีคนนี้เขาบาเพ็ญตะปะเพื่ออะไรเนี่ยท่านก็ไปขโมยมั้งขโมยเอาอาหารที่ช่องช่องไหไช่องนารัฐช่องนารทะเป็นช่องของท่านน่ที่ช่องแบ่งอาหารท่านไปขโมยไปขโมยไปพอถึงเวลาเนี่ยคนอื่นก็ไปเอาช่องของใครของเราหมดแล้วเถอะนารทฐก็ได้เวลากับไปไปดูเอ๊ะ ทำไมอาหารของช่องของเราไม่มีนะ<ด Dim pling>พออีกท่านก็นเดินกลับมาท่านก็ไม่ถวยอาหารอีกกว่านั้นพอไปเห็นไม่มีแล้วครท่านก็ไม่ไม่สวยอาหารจุดวันนั้นพอวันที่สองอีกได้เวล า, าอีกท่านก็เอาอาหารไปวางเหมือนกันนะแต่แต่ไปวางในขนาดที่ไปวางท่านก็ไม่ไม่เอานะอพอจากนั้นบอไปไปวันที่สอง อ, าาอีกได้เวลาก็ไปดูไม่เห็นอาหารอีกพอวันที่สาม อ, าาอีกทนนี่ได้เวลาอีกไปอีกไม่เห็นอาหารอีก ถึงสามวันนารทะาที่เป็นพี่ชายที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเออพวกน้องๆหรือว่าพวกที่อยู่กับเราเนี่หนักใจกับเราหรือเปล่านะทำไมไม่เอาอาหารให้เราเอาีทั้งๆทีเ่เราก็ไม่ได้ทานอาหารทั้งสามวันแล้วเออหรือว่าญนะาติหรือว่าพวกคนที่มาเกี่ยวข้องเราเนี่ยเออจีไม่พอใจหรือหนักใจกับเราเจรงไหมได้ วางอาหารให้เราเราไม่ได้ทานอาหารเอาเถอะเนี่ยเราจะเราจะเรียกประชุมเหมือนกันนะแต่ในนานละทะเนี่ยก็เลยบอกน้องสาวบอกแม่บอกน้องชายเข้ามาเข้ามาก็เลยถามว่าเอพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่กับผมเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกพี่พน้องๆ้องทุกคนหนักใจหนักใจกับผมไหม พวกนั้นก็ตื่นคือพวกนั้นก็ตื่นแล้วเหมนเอา้าทำไมทำไมพี่จังว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ทานอาหารมาได้3วันแล้วเนี่ยช่องอาหารของผมเนี่ยไม่มีได้3วันแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงสงสัยในพวกท่านทั้งหลายว่าหนักใจเกี่ยวกับผมไหมถ้าหนักใจผมก็จะได้จะหนีหนีจะหนีจากที่นี่ให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ต่อไปถ้าว่ามันมีอะไรทําไมจึงไม่ได้แบ่งอาหารให้ผมให้ผมทุกวันก็เคยแบ่งกัน เกติกากันตั้งมาแล้วน้องชายก็บอกว่าไม่นะผมเอาให้แบ่งให้พี่ทุกวันน้องสาวก็กวไม่นะดิฉันแบ่งให้พี่ทุกวันแล้วกับแม่ก็ไม่ต้องว่าเพราะอายุมากแล้วเป็นผู้มาอยู่ด้วยเฉยๆจากนั้นก็คนรับใช้าาชายก็บอกว่าทาาชายผมเฮ้ยผมมาถวายมอบให้ท่านทุกวันทาทหญิงก็เหมือนกันทีนี้ก็อกเอ๊ะทำไมเอาเถอะ ในเมื่อในเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะก็พูดกันอย่างนี้ก็คงจะไม่เข้าใจกันผมขอสาบสาบทสาบานก็แล้วกันอันนี้คือขอสาบบทสาบานน้องชายเขาบอกว่าเอาผมสาบานต่อพระเจ้าพี่ถ้าว่าผมได้เอาเง่าบัวของท่านไปหรือว่าอาหารของท่านไปหรือผมไม่ได้แบ่งให้ท่านก็ดีขอให้ผมได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน อย่าให้ได้ลงรอยกันอมีแต่แย่งกันในในการเป็นอยู่จะหาจะหาความสุขไม่ได้ เ, เพราะฉะนั้นขอถ้าว่าผมเอาขโมยเง่าบัวของพี่ไป อ, อาหารของพี่ไปขอให้เป็นอย่างนั้นให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าว่าผมได้ของท่านไปทั้งน้องสาวก็เอเอเ อ, เอาดิฉันก็หนูก็ขอสสบดถ้าว่าได้เอาเง่าบัวหรืออาหารของพี่ไป เขาถ้าว่าได้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดก็ตามในอนาคตนะขอให้มีพระเจ้าแผ่นดินหลายๆอัครมเหสีเพรางั้นเทะเลาะเบาแวงกันไม่รู้จักจบอย่าให้มีความสุขในการเป็นอยู่แต่ใ น, นผู้แม่ก็บอกว่าอืถ้าว่าได้เอาได้เอาอาหารของลูกไปก็ขอให้แม่ได้เป็นอัคคมเหสีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อย่าให้มีใครเชื่อถือในถ้อยคําที่บอกกล่าวไปนั้นให้มีมีแต่ผู้ต่อต้าน พอนิโตก็เลยมาถึงคนรับใช้รบใช้บอกว่าดิฉันเป็นคนรับใช้หญิงขอสาบบดว่าถ้าว่าข้าพเจ้าเอาอาหารของท่านไปขอให้ข้าพเจ้าเกิดไปในพบในชาติใกดก็ดีขอให้เป็นธาตที่ดุบโบยโบยด้วยแซ่ตีหลังเหมือนกันเถอะคนที่รับใช้ไม่ถูกใจเจ้านายนะ่ยมีแต่โบยหลังตีหลังถูกดา่า ถูกแช่งหาความสงบสุขไม่ได้ขอให้เป็นข้าพเจ้าเด็ดําอย่างนั้นคนใช้ชายก็เหมือนกันเนี่ยยศชายเออถ้าผมได้เอาอาหารของท่านอขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนรับใช้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายให้เจ้านายลงโทษลงไม้เหลี่ยวอยู่เรื่อยให้เป็นอย่างนั้นถ้าว่าข้าพเจ้าออกของท่านไปแต่นี้มาถึงมาถึงลิงเท่นมาถึงลิงลิงที่เขาออกไปเล่นละครเนี่ยที่เขาไปปล่อยเน่ย มั น, ม, นมันไมเล่นเล่นละครกับงูเหา่าอย่างเง้ยลิงก็บอกว่าโอ้เกิดพบใรชาติใดถ้าว่าข้าพเจ้าได้เอาเง่าบัวของท่านไปกินนะขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใรชาติใดก็ขอให้ข้าพเจ้ามาเล่นกเล่นละครกับงูเหา่าโดยเฉย่างเง้ยทั้งกลัวก็กลัวถ้าไม่เล่นก็มาได้แช่เขาหวดหลังก็ไปเล่นเล่นก็ไม่รู้งูงูเห่าจะโชกตัวเองเมื่อไรทีนไงบอกว่ามันทุกข์มากเลยอยงนัี้ยลิงลิงมันบอกว่านะเนี่ยแตนี้ก็ มาถึงช้างช้างก็บอกว่าโอ้ถ้าว่าข้าพเจ้าได้เอาง้อบัวของท่านไปกินเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเป็นช้างตลอดไปลากไม้ลากสุงเวลาลากไม่ได้มันหนักมันเหนื่อยมันไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปไม่ได้ไอ้ควานช้างก็ขอสับหัวอะไรยังมาแล้วค้อนทับเล็บอีกเออตีขมับทับเล็บวังนีทับเล็บเนี่ยทกที่สุดเจ็บที่สุดเนี่ยช้างเนี่ยเวลาเนเวลาเขาจะลากมันช้างมันไม่ไปนี่นนะ ไล่ยังไงก็ไม่ไปตียังไงเขาขออกคอนทุบเล็บมันนะมันกลัวมากแต่เวลาคนจะคอนทุบเล็บมันจะนอนหมุกเอาเอาขาของมันมุดเข้าไปแล้วนอนหมุกเลยงั้นไม่ให้คอนทุบเล็บมันเงั้นมันทุกมากปนวเนี่เกิดพบใดชาติใดก็ขอให้เี่ยเขาทรมานช้างตา น, นั้นบอกว่าทีนี้ก็พอหยุดไปแตเนี่เทวดาเที่ยวดาอยู่ต้นไม้เนี่ยเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเทวดาก็าบอก ท่านครับถ้าว่าข้าพเจ้าเอาขโมยขโมยเง่าบัวของท่านอาหารของท่านพปรดนถามอัน้เสียงใครเรอผมว่าเสียงเสียงลุกขาเทวดานเออเอาข้าว่าข้าพเจ้าไดเอาเง่าบัวของท่านเกิดพบไรชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสมพานสมพานวัดใหญ่เอกทุกพบทุกชาติเหมือนกันเท้าสาวเอาทําไมทําไมจึงสําบทอย่างนั้นเพราะว่าชาติที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เป็นสมภารคือสมภาร อ, อ, องค์แรกเป็นสมภารวัดใหญ่ท่านสร้างหรูหราเจริญมามากแล้วพอท่านมรณะภาพเขาก็เลยยกให้เป็นสมภารรองลงไปพอเป็นสมภารรองลงไปที่นี่กดติหลังนั้นก็ลัว่วหลังคาหลังนี้ศ า, าลาหลังนี้ก็แตกพื้นหลังนั้นก็หักสมภารนี่ไปว่าบา ร, รมีก็ไม่ถึงที่นี่ อจะซ่อมซาลาจะซ่อมกุฏิจะซ่อมสิ่งไหนโอ้โหเป็นทุกข์เป็นร้อนหาลูกน้องก็ไม่มีถ้าไม่ซ่อมก็ไม่ได้ทีคนทั้งหลายดูถูกว่าสมภารไม่มีศักยภาพสมภารใหม่พอในโซ่ก็เลยแต่ละวี่แต่ละวันคิดจะหาเงินคิดจะหาสิ่งมาซ่อมเสนาสนะมันทุกข์มากเออมันทุกข์ในใจอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าว่าเกิดพบใดชาติใดก็ขอให้ข้าพเจ้า เป็นสมพานอย่างนั้นอีกหนะ้าถ้าว่าท่านข้าพเจ้าได้ขโมยขโมยเง่าบัวของท่านอาหารของท่านลุกข้าเทวดาสาบดว่าไงสาบดสาบานหลวงพ่อนึกขำขเหมือนกันนะลุกข้เทวดาสาบดสาบานในว่าไงแต่พวกเราคิดคิดดูดิมันจริงอย่างที่เทวดาสาบดไหมอย่างที่พวกเราเห็นวัดใหญ่ๆอย่างวัดหลวงปู่แหวนอย่างนี้ ท่านสร้างลูหลาโออาณพอท่านผ่านไปแล้วนี่โอ้ท่านไม่ซ่อมก็ไม่ได้ท่านซ่อมก็ไม่ได้วุฒหาเงินที่ไหนหมาซ่อมหลวงพ่อเออถ้ามาเปรียบเทียบกับลุคเทวดาคนนั้นนี่ที่สาบดเข้าเข้าข่ายหลวงพ่อว่านะนี่แหละทีนี้พอมาถึงอาบ ท, ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้สาบดกันหมดแล้ว พวกท่านก็คงจะไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าเนี่ยถึงจะได้รับแล้วก็ทําท่าไม่ได้รับอ า, อาจจะไม่ซื่อตรงต่อพวกท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอขอสาบศสาบานต่อพวกท่านทั้งหลายด้วยเหมือนกันถ้าว่าข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าได้แล้วว่าไม่ได้ได้รับไปแล้วว่าไม่ได้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระราชาพระราชาเสร็าาจแล้วเป็นผู้โลภหลงไปด้วยจิเลสราคะโทสะโมหะ หลงในการเป็นอยู่ของตนเองจนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่เป็นที่ยอมรับของปวงประชาทั้งหลายทั้งปวงผลที่สุดเนี่ยแหละมันจะหาความสงบสุขในจิตในใจของตนเองไม่ได้ถ้าว่าปกครองโดยไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นพระราชามิตรสาธิติอย่างนั้นถ้าข้าพเจ้าได้แล้วว่าเหมือนว่าไม่ได้พอสมบทฉบาลกันจบแล้วพระอินทร์ก็เลยโผล่ออกมาทีโผล่ออกมาท่านเป็นใคร พระอินบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระอินอินทาริราชท่านมาเพื่ออะไรข้าพเจ้ามาในเน่าบัวที่หายไปนั้นข้าพเจ้าเป็นคนออกไปเองนารทาก็บอกว่าท่านอินาทาธิราชท่านกับข้าพเจ้าไม่รู้จักกันมาก่อนทําไมจึงมามาแกล้งกันอย่างนี้มันไม่ถูกนะถ้าคนรู้จักมักคุ้นกันถ้ามาแกล้งมาบอกกล่าวกันเอออันนั้นคือความถูกต้องอันนี้มันท่านเราไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับท่านเลยท่านทรรําไมจึงมาแกล้งมาทำให้กับเราอย่างนี้ พระ อ, อินทร์เลยบอกว่าที่ข้าพเจ้ามาทําในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความสงสัยว่าที่ท่านบําเพ็ญ ต, ตปะทำเนี่ยอกกริบเนี่ยท่านปาถนาอะไรท่านปารถนาเป็นเป็นพระ อ, อินทร์หรือจะไปเป็นพรหมหรือจะเป็นเทวดาจะไปที่ไหนท่านจะปารถนาเป็นพระ อ, อินทร์แทนข้าพเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมนารทะบอกว่าข้าพเจ้าบําเพ็ญถึงจะเป็นจะมากจะน้อย อย่างไรก็ตามอดีตมาถึงปัจจุบันนี้ถึงจะอนาคตก็ดีข้าพเจ้าบําเพ็ญเพื่อโพธิญาณโพธิญาณคือขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตบําเพ็ญเพื่อโพธิญาณเท่านั้นในการบําเพ็ญของข้าพเจ้าเพราะนั้นพระอินทร์ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าข้าพเจ้าจะขึ้นไปแย่งไปชิงตําแหน่งของท่านข้าพเจ้าบําเพ็ญมากน้อยข้าพเจ้าบําเพ็ญเพื่อโพธิญาณ ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการนนารทะท่านบอกพระ อ, อินนั่นเออถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอประทานพรให้แก่ท่านท่านจะรับพอรอะไรนารทะก็บอกว่าขอข้าพเจ้าขอรับพรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านพระอินอย่าได้มาในสำนักของข้าพเจ้าอีกพระอินบอกว่าทำไมคนทั้งหลายก็อยากจะ ให้ข้าพเจ้าไปหาทุกคนแต่ทําไมท่านถึงปฏิเสธนายรัฐะบอกว่าถ้าว่าพระอินทร์มาบ่อยๆนะท่านมาบ่อยๆข้าพเจ้าอาจจะชอบต้องการตําแหน่งท่านก็ได้เพราะท่านมาบ่อยเพราะนั้นท่านจะได้มาและจะได้มาลบกวนข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าจะบําเพ็ญตปะเพื่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระอินทร์ก็บอกเออถ้าเป็นอย่างนั้นผมขอประทานพรให้แก่พระคุณท่านทั้งหมดขอให้หาอาหารได้ง่าย ผลละหากหลากไม้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในถิ่นที่ท่านอยู่อาศัยขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดไปจากนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่มาหาไม่มาพบกับพวกท่านอีกต่อไปจากนั้นพระอินทร์ก็หายเงียบชาดกเรื่องนี้ถ้าสรุปไปไปแล้วก็คือสพรพพสัตต์ทั้งหลายนานาจิตต่งังานานาทัศนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่น้องชาย ท่นก็สาบทอีกแบบหนึ่งน้องสาวท่านก็สาบทอีกแบบหนึ่งแม่ของท่านก็สาบทอีกแบบหนึ่งคนใช้หญิงคนใชายชายตลอดถึงลิงตลอดถึงช้างตลอดถึงลูกขะเทวดาสาบทไปคนละอย่างสรุปแล้วก็คือคนเราเกิดมามีความทุกข์ไม่เหมือนกันมีความทุกข์คนละอย่างกันอาชีพหนึ่งเขากระทุกอย่างหนึ่งอาชีพหนึ่งเขากรทุกสรุปแล้วทุกอาชีพก็มีความทุกข์เหมือนกันเพราะนั้น ในนิทานเรื่องนี้ถึงอย่างไรก็ให้มีสัตว์ให้มีสัตว์ให้มีจริงและกายมีจุดจืนอย่างพระพุทธเจ้าพระนารถธาดาบทท่านปราดทนาเป็นพระโพธิญาณเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะทําบุญมากน้อยไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาบาเพ็ญทานศีลภาวนามากน้อยให้ตัง้งจิตแน่วแน่ไว้ในใจว่าข้าพรเจ้าต้องการมรรคผลนิพพาน ให้ต้องการข้าพเจ้าต้องการมรรคผลนิพพานกราบพุโ ท, ทมโธธรรมสังโสนิพพานังให้ข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานขอไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารได้อีกนีอันนี้ก็คือพวกเราให้มีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจถ้าคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องไม่อยากจะมาเวียนไหวตายเกิดอีกถ้าเวียนไหวตายเกิดเนี่ยมิตรทุกข์นั่น แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วกเกิดอีอกเกิดอีกก็แก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าตัดกงลอ ก, กรรมเกวียนสัก เ, เข้าไปสู่พระนิพพานสักให้จบแล้วก็สุดไปนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนย์อย่างนิพพานศูนย์ศูนเชื้อที่จะทํามาให้เวียนว่ายตายเกิดนั้นหมดไปแล้วเชื้อนั้นนะ น, นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านอยู่ที่ใด บำเพ็ญ น, นสถานที่ใด้ต้องการโพธิญาณโพธิญาณคือให้ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเป็นเพียงแต่ว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อหวังพระนิพพานเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอหลวงพ่อว่านเลิศประเสริฐที่สุดแล้วอันนั้นคือสัมมาทิฏฐินะอันนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเกิดมามีความทุกข์ ไม่เหมือนกันและกระจุดมุ่งหมายของนาระทะก็คือต้องต้องการโพธิญาณขอให้พวกเราทุกๆคนเนะ่ให้มีความมุ่งมัน่นมีความปรารถนาอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานให้พวกเราได้มาบําเพ็ญกระองค์ลงตาถึงจะถวายจาตุปัจจยห่องปอดเชื้อถวายอะไรก็ตามที่มาทำบุญตักบาตรรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านในเรือนจึงไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เกื้อกูลนุน จิตใจของเข้าไปเจ้าขอให้ดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็วพรานด้วยเทอินั่นะคิดในใจอย่างนั้นอันนี้คื อ, ค, อ, ค, อความปรารถนาของพวกเราในจะิตในใจนะะวันนี้ก็หลวงพ่อได้นานิทานสาธกให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะและก็พร้อมกันนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐาน อ, อ, อย่างที่พวกเราที่ได้ ทำมาทุกวันทุกครั้งที่ผ่านานมาข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบุญกุศลในอดีตชาติมากน้อยจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้บวด้วยบวุญด้วยกุศลทั้งหลายทั้งปวงส่วนตัวของพระเจ้า ขอให้เป็นพลัง เ, เกื้อกูลหนุนรักษาสุขภาพขององค์หลวงตาขอให้หายจากโรคาพยาธิขอให้ร่มตาเป็นร่มโพร่มใสของพวกเรานานเท่านา น, านด้วยเถิน